วันนี้เป็นวันที่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อเอ็ดตรงกับวันแรม4รี่คันเดือนหกวันนี้เรามาพูดกันถึงการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิต ชีวิต ท, ที่เดียวชีวิตของเรานั้นถือว่ามีค้ามาีราคามากแต่คนเราส่วนมากไม่เคยสนใจเรื่องชีวิตจริงๆแต่ไปสนใจเรื่องเงินเรื่องนัดขาบรรดาสักบางคนถึงกับเอาชีวิต ไปแล่เอาเงินหรื อ, อนักถาบรรดาศักเหล่านั้นยังว่าไม่เข้าใจเรื่องชีวิตจริงจรงิเมื่อมาพิจารณาถึงเหตุผลทางชีวิตแล้วทุกคนควรศึกษาและควรสนใจกันจริงๆรเรื่องชีวิตเพราะว่าไม่มีใครที่ไหน ซื้ขายชีวิตกันได้มีเงินมากจากร้อยล้านพันล้านซู้ก็ไม่ได้รวนนังสือศบปริยายเอกด็อกเตอร์นะจากสิษย์ปริยายเอกก็ซืไม่ได้อำมาแลกเอาชีวิตไม่ได้ีเรียนทางธรรมจบประโยคเก้าแล้ว ก็เอามาทาแลกชีวิตของเราไม่ได้นี่จึงว่าชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็นมีค่ามากที่สุดแต่ทำไมจึงไม่สนใจเรื่องชีวิตจึงไปสนใจเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องซู้เสียงเกียดงดบางคนถึงกับไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอุปสรรคับชีวิต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 เมื่อเกิดมาแล้วอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นคนอย่าให้คนตายมาถึงเข้าถ้าคนตายมาถึงเข้าแล้วก็จะเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พดพระพุทธศาสนาทีเดียวพูดกันไว้อย่างนี้แต่ว่าเรายังมีการปรารถนาอ้อนวอนขอร้องแต่ทุกคน ส่วน้าตัวผมเองก็เช่นเดียวกันเพราะไม่รู้เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจออกพูดไปว่าการทำบุญบาทนมึงก็ตามสองบาทร้อยทันเ่าเดก็า 3, ตามราชนะเอาสวรรค์เอาในทานอยู่างหน้าแต่ในขณะปัจจุบันนี้ไม่เอาเพราะตัวไม่รู้นี่เอง ดังนั้นคนโบราณจึงสอนเอาไว้ว่านักตระสงสารมียาวนานสำหรับคนผู้ที่ไม่รดุทำกลางวันนานคำ่ำกลางคืนนานแจ้งสำหรับบคลผู้ที่ตกไข้ได้ป่วยนอนไม่หลับเพราะนอนไม่หลับเนี่ยมันก่อนานคำ่ำนานแจ้ง ถ้าเป็นกลางคืนนอนไม่หลับปานไดจะแจ้งขึ้นมาเนาะถ้าเป็นกลางวันก็ปานได้จะคับมาเนาะคอยอยู่นั่นรวมจริงแล้วมี12ชั่วโมงเหมือนกันทางยาวใครสําหรับบุคคลผู้ที่เดินทางเมื่อลาและหาดของหนักอิกด้วยปานได้จะถึงที่พักที่บ้านของเรา จะยึดเอาอย่างที่เราไปไหนมาไหนก็ตามไปบ้านเราทางประมาณเพียงสิบกิโลหรือยี่สิบกิโลถ้าเหนื่อหักของหนักอ่อนเหมือกับร้อยกิโลน้นแต่ก้นมจียงก็เท่าเดิมสมมตดเอาอย่างที่บ้านหาแดนของเรากับบ้านบ่หงมเรานี่เดินไป ความจึงระยะทางเพียงสี่กิโลว่าอย่างไรเนี่ยหาของหนักเดินทางเมื่อไรก็นานหอดนานถึงเหมือนทางมันอยู่ยาวออกไปอันนี้สำหรับคนผู้ที่ไม่รู้ถามไม่รู้สวรรค์ไม่รู้นิพพานว่ามันอยู่ตองหน้าดังนั้นคนจึงจากถนาเอาความสุขเพียงแต่ความนึกคิด ความคาดฝันเท่านั้นย่งไม่รู้ของจริงเมื่อมาปฏิบัติธรรมะที่ผมทำก็เรียกว่าทิฏฐิคือครมเห็นทิฏฐิก็ไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินได้ฟังกันมานานแล้วมีหลายครูหลายอาจารย์พูดสอนกันมาเรื่องนี้อ่นใครจะปฏิบัติอย่างไหนก็รู้ จุดหมายปายทางอย่างเดียวกันว่าอย่างนั้นจะปฏิบัติพุทโธธรรมโมอลหังฟองมุกนับหนึ่งสองสามอตามเข้าถึงจุดหมายตายทางอันสูงสุดเช่นเดียวกันพเพราะนิสัยจริตไม่เหมือนกันว่าอย่างนั้นแต่สำหรับผมไม่เป็นอย่างนั้นผมเคยทำได้ทำ พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ในหัวใจอันนี้ก็วิธีที่ผมได้ทำมาแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะยังไม่มีปัญญาหรือว่าญาณปัญญายังไม่เกิดขึ้นจากนั้นผมก็มาทำสัมมาอรหังนับหนึ่งสองสามหายใจเข้าพองหายใจออกยุก หรือหายใจเข้าลมหยาบลมละเอียดอันนี้เคยได้ทำมาลมสั้นยาวนี่อย่างนี้เคยได้ทำมารู้ว่าได้ทำมามากพอสมควรก็รยังไม่เข้าใจเมื่ทราบซึงเพราะใจิตใจมันไม่รับรู้รู้ชีวิตของตัวเองนี่แหละ ย, ยังไม่โตกระตูมมันมีดตู้อยู่ภายในใ จ, ใจิตใจเพราะมันปิดประตูไว้นี่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 คือไม่ต้องปิดบังทิศฐิของใครของเราไม่ต้องปิดบังความเห็นความรู้ความเข้าใจของใครของเราพูดความจริงก็ต้องพูดเอายกเอาเรื่องที่ตัวประสบพบเห็นได้ศึกษาและปฏิบัติมาอย่างไรก็ต้องพูดความจริงอย่างนั้นเรียกว่าตัดจะคือของจริงอันนี้จริงโดยบุคคลผมเข้าใจอย่างนี้ ต่อวิธีทำนั้นก็ต้องนั่งแต่ไม่ต้องหลับตาอันนี้มีวิธีทำนั่งสังเกตก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ทาความรู้สึกทิพมีขึ้นแต่ใครจะถนัดเบ้องซ้ายหรือเบื้องขวาไม่เหมือนกัน คนมีกําลังรู้แหงบ้านผมเรยกแหงซ้ายแหงขวาใช่เรามีกําลังแรงมือขวาพอทิศมือขวาจะแทงขึ้นทองทำซาซา้รู้สึกไม่ต้องทิกมือขวอันนั้นมากเกินไปเพียงแค่ว่าให้รู้สึกคนเองทิกมือขึ้นให้รู้สึกหยุดไว้ยกมือขึ้นให้รู้ มันหยุดก่อนพอมันหยุดมันไหลไปให้รู้ขึ้นขึ้นตัวให้มันรู้กเอามาที่สะดือันนี้มีจังหวะซ้ายขวาเป็นศกจังหวะเวลาเอามือออกมาพอซ้ายขวารวมกันเข้ามีแต่จังหวะอันนี้เป็นจังหวะเป็นจังหวะ คล้ายๆคือกันกับที่พระพุทธเจ้าหรือครบาอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าให้มีสติเข้าไปกับมุอรู้ในอุยบกขังตียนนืนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติรู้นั่งก็ให้มีสติรู้นอนก็ให้มีสติเข้าไปรู้ท่นว่า เรียกว่าจะโลนสติและท่านยังแนะนำให้ว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในเรืยยยเ่ยงบดย้อยผูเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามแต่ทามให้มีสติอันนี้ก็เพียงรู้อันนั้นเรียกว่าสติคำว่าสติกับความรู้นี่คล้ายคล้ายกันพอที่จะอบรมมองเห็นได้ผู้ที่มีปัญญา อันนี้เมื่อทำอย่างนี้แหละเวลาลุกเค้อนมีเจ็ดจังหวะวิธีลุกเวลานั่งลงมีแปดจังหวะวิธีนั้งแต่วิธีนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวายือนอนหงายยกทางซ้ายยกทางขวายกทางหงายอันนั้นก็มีจังหวะเช่น B เดียวกัน ด้วยจังหวะกาดเราเคยกาดเบิงจังคประดิษฐ์อันนั้นก็ดีแล้วที่ครูบาอาจารย์สอนหมานั้นดีแต่เมื่อผมมาเข้าใจคําว่าเบิงจังขับปดิษฐ์หมายถึงห้าจังหวะอย่างนั้นแล้วก็เมื่อรู้จักอย่ไม่กลยกมือไหว้ตัวเองไหว้ตัวเองก็มีห้าจังหวะเช่นเดียวกันในปีอย่างนั้นจังหวะ ของดูดูในตนทุกคนจึงจะสมกับที่ครูบาอาจารย์สอนว่าหรือพระพุทธเจ้าสอนว่าตนตนที่พึ่งของตนคนอูนใครหนาจะพึ่งได้พึ่งไม่ได้ตำลักตำลาก็พึ่งไม่ได้พึ่งได้เพราะการกระทำเรื่องนี้จงสิีวิตเนี่ยมีค่ามากที่สุด ยังได้ยกมือไหว้ตัวเองตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าคุณดูความงามในตัวของเราเกิดขึ้นด้ยวยญาณปัญญาหรือว่าวิปัสนายาคำว่าวิพัฒนาญาเ น, นี่มันเป็นซูเท่านั้นเองตัวรู้แจ้งเห็นจริงถามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าวิพัสนาวิพัฒนาจริงแต่ว่ารู้แจ้ง เห็นจริงตามความเป็นจริงเมือ่อลูกแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ต่างเอาล่วงภาวะเดิมตอนนี้ตอนต่างเก่า่วงภาวะเดิมแต่ก่อนไม่รู้เรื่องลูกเรื่องน้ําแต่รู้ตำลาแต่จิตใจมันยังมืดมันยังไม่เปิดมันยังไม่รับของดีมันทําอย่างนี้หลยไม่นานผมทํารู้ตอนเช้าเรื่องลูกเรื่องน้ํา รูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกรูปโลกนามโลกมีสองอย่างโลกทางเนื้อหนังโลกทางจิตใจเมื่อรู้อันนี้ก็รู้ทุกขังอนิจจังอนาาัตตาแต่สำหรับปัญญานั้นเรียนมาแต่ไม่สักจริงเมื่อรู้ทุกขังอันนีจังอนัตตาครบจบส้วนแล้วก็รู้สมมุติขึ้นมาทันทีเพรสมมติจะมีมาก สมมุดเงินทองเสื่อผ้าไหรนาลัว่วสวนหรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหารครูเหล่านี้เป็นสมมุดขึ้นมาจริงๆจร่ามีสมมุติบัญญัติมีปรามัตดบัญญัติมีอัฐะบัญญัติและมีอริยบัญญัติสมมุติจึง ม, มีมากสมมุติถี สมมุติเทวดาแต่สมมุติมันก็จริงจริงโดยสมมุติบางอย่างบางอย่างสมมุติจึงโดยปรามัดเนี่ยแต่ปะมัดก็สมมุติพูดขึ้นม า, นาตัวอัดขาตัวลึกยากบุคคลที่จะรู้ก็ ม, มองข้ามตัวเองไปอริยบัญญัติเป็นอริยบุคคลแล้วก็ทูกสมมุติขึ้นมาพูดกันเท่านั้นเอง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 เหล่านี้แหละหรือศาสนามันมีหลายคําว่าศาสนาศาสนาท่านบอกแทงไว้หรือธรรม็แปลทงไว้ศาสนาก็แปลว่าคำสั่งสอนธรรมะก็แปลว่าคําสั่งสอนเนี่ยมันมากบัณฑิตพุทธศาสนาบัณฑิพุทธศาสนานพุทธะก็แปลผู้รู้ธรรมผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรมจะรู้ธรรมจริงๆ ธรรมะนะเจียมมีอยู่ในคนหรือคือตัวคนนี่ยหละธรรมะนะว่าเห็นคนใจดีขเขาเรียกพระธรรมใจดีคือพระธรรมเห็นคนใบโกรธหน้ะะาขยักขัดแยงเลยใจร้ายคือผีหรือเหมือนผีแต่เราพูดได้แต่เราไม่รู้จักคําพูดเหล่านี้มันลึกลับซับซ้อน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 โลภะโทสะประยัติเป็นมิจฉาทิฐิทิฐแล้วความเห็นเมื่อประออกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฐิคือความเห็นให้ถูกต้องขาดนั้นเมื่อรู้พุท ธ, ธาศาสนาอ่านรู้บากรู้บุญเห็น เข้าใจสัมผัด แ, แน่แน่มอนกับสิ่งนรือเป็นอารมณ์อันนี้เรื่องต้นที่สุดนี่รู้อันนี้แหละตอนเท้าผมรู้อย่างนี้ซึ่งผมไม่ว่าตวัไม่กลัวใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องทิฏฐิของคนนั้นทิฏฐิของเราเนี่ยเราต้องยืนหยัดว่าเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองว่ า, าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ ก็เลยเข้าใจกันเมื่อเป็นเช่นนี้รู้ถึงบาบุญแล้วเกิดความรู้ต้นิดนี้เกิดตีติความพอใจตีติจึงเป็นอุปัสว่าตีติความยินดีตีติความพอใจตีติเรียกว่ามีในคนทุกคนอันนี้บางคนก็ มีปีติแล้วยังเกิดก็มีบางคนเกิดแล้วจึงมีปีติก็มีมันซักให้เราหนีจากลูกหนามีเองเมื่อตอนเย็นมาผมจึงรู้มันเป็นยุปัสิลป์วมรู้แบบนี้มันแก้ไขปัญหาการขัดแยง้งภายในจิตใจตัวเองไม่ได้เป็นตั้งแต่เช้าจนตกเย็นผมเป็นผมไม่เคยรู้ผมคิดที่แรกมันรู้ อันความรู้เรื่องรูปานามไม่ได้เห็นผวมคิดมันรู้คิดอันนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นที่สุดเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้ที่ผมพูดมีผมพูดด้วยทิฏฐิแบบนี้เมื่อมารู้ความคิดจึงว่าให้รู้ติดตัวอย่าให้หนีออกจากตัวเพราะมันมีความรู้เรื่อ ง, งตูนแปลแปลขึ้นมาข้อตา่างเรามาทําความรู้ติดตัวความคิด ความรู้มันจะหายไปทันทีอันนี้ท่านสอนอดทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนี่โลดทำให้แจ้งทันวาอย่างนั้นทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกข์จึงมีสองอย่างทุกการเคลื่อนการไหวทุศตาหายใจอ้าปากนีก็เป็นทุกข์ดังนี้ทุกยึดทุกคิดก็เป็นทุกข์จังหวะทุกข์มีสองอย่าง ทุกที่กําหนดรู้กําหนดพิลูกเป็นวัตถุสมุทัยต้องรับตัวสมุทัยก็เป็นตัวนึกตัวคิดนั่นเอ ง, งสัมุทัยทําให้ทุกข์ตุกครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็เคยสอนมาจะเป็นคําพูดคําชวนของพระพุทธเจ้าสอนไว้เราก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ว่ารับรองได้ว่าคํำพูดเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่ลึกลับอว่าเส้นขนบังภูเขาขนตาบังเราเพียงขนตาเล็กๆบังตัวเราไม่ให้มองเห็น ถ, ถึงจิตถึงใจได้แบบ น, นี้ผมมาทำความรู้สึกตัวมันคิดก็รู้บ ม, มันไม่คิดเราก็รู้เนาะมาต้องจะเลินไี่โน่นทำให้แจ้งทำวิทยุอุ่นไม่รู้ ผมทำแต่คนอื่นอาจจะรู้ผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องคนอื่นเนี่ยผมก็ไม่รับรองเรื่องวิธีคนอื่นผมรับรองเรื่องความรู้สิบตัวการทําการพูดการคิดให้รู้สิตัวเมื่อรู้อันนี้แหละก็เลยเข้าใจทราบเรื่องปรมามัดขึ้นมา พอความรู้มันหายไปแล้วมันนี่เป็นความความรู้แบบนี้มันเห็นการเห็นแจ้งชัดขึ้นมาภายในจิตใจความรู้อันที่มันรู้ออกนอกตัวเราไปรู้นอกตัวไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันรู้ก็เลยหายไปมีเัีความรู้สึกการเคลื่อนการไหวมันคิดมารู้สึกอันนี้เองก็เลยรู้เห็นเข้าใจด้วย ปัญญาสนนี้นี้ลึกเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เหมือนปัญญาที่รู้ลึกหนาเห็นรู้เข้าใจอันนี้เลยว่รู้จักรู้จำรู้แจ่มรู้จริงคำว่าวัตถุดังธมะอาการไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังครูบาอาจารย์ก็ไม่กระซิบหูเลยพ่อแม่ก็ไม่กระซิบหูเลย ให้ทางรักษาศีลมาไม่กระึิบหงเลยเรื่องหนึ่งเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแน่แน่งอยู่กับสิ่ง น, นี้ดียรู้จักรู้จำรู้แ้งรู้จริจ ง, ร ง, รงอันนี้เป็นเป็นเป็นสั้นที่สองเข้ามากอได้แร้วเป็นอีกสั้นหนึ่งก็ได้เมื่อเห็นอันนี้แหละชัดเจนขึ้นมาแล้ววัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก กมาัดก็หมายถึงเราสัมผัสได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราอาการด้วมีความเปลี่ยนแปลงโลกนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและแบบนี้นี่ที่เป็นวัตถุนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นรู้อย่างนี้เข้าใจเรื่องโธสัมโมหะโลภะเห็น รู้เข้าใจอยูอันนี้แหละมันเป็นเมื่อทีที่สําคัญเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้เห็นเข้าใจสัมผัสแน่แน่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณึาณี่แว่ารู้ไม่ใช่วิญญาณตายแล้วร้องลอยไปอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นวิญญาณอีกเรื่องหนึ่งวิญญาณที่ผมพูดนี้ วิญญาณปวาเข้าไปรู้เมื่อเป็นญาณปัญญาปญญาว่าได้ไม่รู้อันนี้แหละผมเดินกลับไปกลับมาทำวามรู้สึตัวน้าหนักตัวของผมเองร้อยกิโลเบาขึ้นทันทีเลยอย่างน้อยที่สุดหกสิบกิโลครับถ้าพูดเป็นตามอัตราที่ผมเห็น เป็นมีในขณะที่ผมสัมผัสอยู่ทุกกับปัจุบันนี้เองแปดสิบกิโลไปแล้วผมหนักหกหนักใจไปแล้วเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเมื่อเข้าใจอย่างนี้แสดงขึ้นมาภายในใจิตใจอ้อเราเป็นพระได้แล้วเนี่ยคำว่พระแบบนี้นั้นไม่ได้หมายถึงการโคนผมสัดเล็บนึ่งเหลืองห้่นเหลือง พระแบบนี้นเนี่ยที่เราแสวงหาพระกิมแปลผู้ปฏิบัติพระจิมแปลผู้สอนผมเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ประเสริฐมากที่สุดคุณดีความงามความรู้สึกตัวเนี่ยทําให้ผมเกิดความเข้าใจอย่างนี้พอดีตรงอย่างนี้ใจมันเบามีความสว่างเห็นใจมันเห็นใจมันรุกเป็นทางไป แต่ไม่ใช่เป็นทางอย่างที่ทางรดยนนี้นะครับแต่มันเป็นทางไปแต่ใจมันเป็นใจมันเห็นใจมันรู้ทางเดินไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นแบบ น, นี้เนื้อเป็นเช่นนั้นเมืเ่อตู้ดีอีกตู้ดีตัวเนื้อแรงกว่าที่ทีแมกมันดีใจมันใจดี ที่แรกมันดีใจเจ๊ใจดีไม่ค่อยดีอันนี้มีทางดีใจและมีทางใจดีมีสองอย่างนะที่พูดนี้ให้เข้าใจจริงๆเรื่องนี้พอดูปฏิบัติอย่างนี้ในขณะเดียวกันนั้นผมพูดตามทิศทิความเห็นความเข้าใจจิตใจผมเปลี่ยนสองพักพอดูเปลี่ยนพักนี้ก่อเห็นที่เลย ปันหาอุปทานเนี่ยกิเลสเราไม่เคยรู้ว่ากิเลสเป็นอุปสรรคต่อชีวิตผมเลยเลิกบุรีผมเมื่ยเป็นของสดสวยงดงามนีม่เป็นของดีถือว่าชีวิตของเราต้องการอย่างนั้นคนกิถึงออกกับชีวิตแต่แลกเอาเงินหรือซื้อเสียงเกียรติยศ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 ทำการทางานอะไรได้ทุกอย่างดังนั้นพระอรญยบุคคลแบบที่ผมพูดนี่ไม่ยกเวน้นใครจะศึกษาศาสนาไหนไน่้ผ้าเสื้ออะไรก็ตามจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามบดกผู้ใหญ่ไม่ยกเวน้นใครทั้งหมดมีแล้วในคนทุกคนจึงกล้ารับรองว่าจะ พูดอย่างนี้และแนะนําวิธีนี้พเพราะตเองได้สัมผัสอย่างนี้และกระทําอย่างนี้จริงๆอย่างนี้เคยสอนคนมาแล้วเป็นจํานวนหลายสิบคนถ้าหักพูดตามอัตราความเห็นอันนี้สอนคนมาอย่างน้อยผมคิดว่าผมได้ทําให้ชีวิตของคนพ้นไปจากควางพุก เปนมงจาก้อยคนหรืออาจจะถึงทันคนก็ได้ผมได้ทำภุรละหน้าที่อันนี้เองจ้วการกเกิด็นคนให้ลี่จักร่ามันเป็นแสนยากแต่เกิดเป็นคนแต่ยังไม่ใช่คนเคยถามครูถามอาจารย์มาถามมาหลายคนคำว่าคนมีใครให้คื้อเสียงเรียงนา ม, มาเคยถามอย่าง แล้วคนที่ตอบมาก็เขาพูดกันอย่างนี้มานานแล้วต่อไปอย่างนั้นเป็นจานวนมากนี่มีใครให้ควกระจ่างแจ้งภายในจิตใจผมเมื่อผมปฏิบัติอนุทิผมมีความกระจ่างแจ้งภายในใจิตใจ ก็หมายถึงบุคคลผู้ที่มีปัญญาเรียกว่าตปนบุคคลแับ น, นี้ถ้าคนรู้อ ะ, เ น, ะ เ, เ, นเนี่ยเป็นพระเรียบุคคลถ้าพระสงฆ์สงเจ้าเป็นเนี่ยเป็นพระเรีสงคนผู้ที่มีปัญญาแก้ปัญหาการขัดแย้งภายในจิตใจตัวเองได้เชื่ว่าเรียกว่าเป็นคนนี่เข้าใจอย่างนี้ เลยมีความกระจ่างแจ้งขึ้นภา ย, นยในจิตใจเรื่องของคนมันเรื่องของคนมั น, มนมดีดีมีชั่วสึกบุรีบ้างบุญสุราบ้างเลิ่มการพนันานบ้างถือว่าอันนั้นเป็นจิตสําคัญเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องการอาหารดีดีต้องการเงินทองเสื้อผ้าดีดีถึงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจิตที่จําเป็นเนี่ยเข้าใจยังไง ปัจจุบเนี่ยมาเข้าใจอย่างนี้เรื่องอาหารการกินก็ยังไม่จาเป็นบรเวลาเพื่ยงาาคืนไม่เป็นสิ่งที่จาเป็นจริงๆเรื่องเหล่านี้ในที่สุดเงินทองที่เราต้องการเอาชีวิตเข้าไปแลกเอาก็ไม่จาเป็นเพราะชีวิตเนี่ยมันจึงมีค่ามากที่สุดผมเข้าใจอย่างนี้ด้ย รู้จักเรื่องของคนมันทำไปอย่างนั้นเนี่ยแต่เรามารู้จักความเป็นคนเรื่องของคนหน้าที่ของคนหน้าที่ของเราถ้าพูดมันมากเช่นบิดามาดาต้องรู้จักหน้าที่คว่นบ้านกำนันต้องรู้จากหน้าที่ตำรวจทหารต้องรู้จักหน้าที่ครูโรงเรียนต้องรูจากหน้าที่าหมอหรัอกษาโลก ขอปฏิบัหน้าที่พระสงฆ์องค์เจ้าขอปฏิบักหน้าที่นี่พูดมันมน้ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปหน้าที่ของเราจริงๆริงอวันปฏิบัติเอามักผลเบื้องสูงมือไว้ที่เมื่อที่ตัวของเราจรึงว่าวัตตะสงสารยืรนยาวนานสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำคือไม่รู้ทำจึงตาแอนาเอา ข้อนวรเอกต่อหลังจากการตายแล้วทำบนร้อยพันหมื่นแสนก็ต้องการสวรรค์นิพพานหลังจากการตายแล้วแต่ควรจิงสวรรค์นิพพานมันอยู่เฉพาะหน้าเหล่านี้เองเรื่องสำคัญเรื่องอดีตอนาคตนี่แหละอนาคตอดีตนี่พอแม่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอดีตอนาคตแก้ปัญหา ไม่ได้จะแก้ปัญหาได้แต่เฉพาะปัจจุบันเราต้องควรเอาอนาคตอดีตมาไว้กับปัจจุบันให้ได้ศาสหน้าหมายถึงตายแล้วก็ได้หรือหมายถึงจิตใจมันเปลี่ยนแปลงเรียว่าอาการก็ได้ธรรมะซึ่งมันมีอยู่เฉพาะหน้านี่เองโดเข้าใจเรื่องอดีตอนาคต เมื่อมาอูกับปัจจุบ <fun ut> ันเมื่อเราเห็นเรารู้ปัจจุบันแล้วเรียกว่าเรามีปกติเมื่อเรามีปกติแล้วเมื่อว่าเรามีสินสินจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดนี่คงเข้าใจอย่างนี้บัดนี้พอดีผมมานอนตื่นตอนเช้ามา ผมก็เลยมาลางหน้าแปลงปันตาปกตินี่แหละแล้วก็มาทาเบินจมกลมคายนั้นมันไม่มีไฟฟ้าที่สำนักเอาเพียงขายไปใต้ว่าข้างโน้นข้างนี้สองคางมีจะขาบบ้านผมโหลดที่เห็ดตัวหนึ่งแลมขวาขวาออกมามันดังเสียงมันผ่านใบไม้มา ผมเห็นผมก็เลยไปเอาเทียนไขาตามไปเพราะว่ามีขี้เหล็กกัดนั่นเองเจผมถูกขี้เหล็กกัดข้างหนึ่งตามไปก็เลยไม่เห็นไม่เห็นทำไมเอาเทียนไขกลับไปไว้ที่เดินมาโดนตอนนี้แหละผมกเกลรูุ้กิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดนี่โดยปกติคนมีปกติจึงจะรู้ท่านยังอื่นผมไม่รู้ อันนี้เรียกว่ามีตีติเมื่อกินสยานเกิดขึ้นในช่วงนั้นบัด น, นี้ตัวก็หายไปเป็นปกติบัดเนี้ยควรคิดก็เป็นปกติมีใจดีบัด น, นี้ควรดูใจานีนูก็ใจดีใจเย็นนี่แหละเราเห็นคนเฒ่าคนแก่เคยพูดใจดีคือพา้าธรรมพระธรรม ตัวคนไม่ไม่ใช่พระใจมันเป็นพระพระทําการพระทํางานคนใจดีทําการทํางานกรียอว่าพระทำพระกินข้าวก็พระทำพระเข้าห้องน้ํำห้องส้วมก็พระทำพระจักผ้าก็พระทำพระจักเจื้อก็พระทำพระถูบ้านล้างจานก็พระทำเอาพระทำไปไหนมาไหนก็เอาพระทำไปด้าจริงวพระทำ เราไม่เคยเห็นอันนี้เลย ว, ว่าถ้าพูดตามอุดมการณ์แล้วทิศทีของผมเนี่ยมีตาทิศมีหูทิศหรือจะเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์น่น้อยกว่ า, วาได้ถ้าผิดปกติไปมีปีติดีใจใเสียใจเรียกว่าบ้าบ้านผมเพราะแม่เคยพูดเคยสอนไว้ว่าคนมีผิดปกติ จะผิดปกติข้างดีก็ตามข้างชั่วก็สามเดียวว่าบ้าทั้งนั้นหรือถ้าไปดูคนเจ็บไข้ด้วยหนักผิดปกติเดีว่าตายใกล้จะตายแล้วว่าอย่างนั้นดังนั้นความปกตินั้นจึงมีในคนทุกคนผมก็เลยยืนจัดเอาปกติอันนี้มาไว้ที่เนื้อที่ตัวแต่ไม่ต้องเอามาเนาะมันมีแล้วคนเราไม่เคยเห็นปกติ ไปสมทานศีลกับพระอันนั้นดีแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นศีลําจัดทิเลอ็อย่างยาบอย่างต่างอย่างไรอันนั้นจะเป็นศีลสังคมศีลห้าศีลแปดศีลสิบศี 5, สองร้อยสามร้อยเป็นศีลสังคมเป็นสังคมศีลจะรักษาเข็งคัดขนาดไหนก็ตามผมเคยรักษามาวันนี้ได้รักษามาแล้ว รักษาศีนมาตั้งแต่เมื่อเป็นหนึ่งนักษาโบสดศีลไม่เคยรู้เลยอย่างนี้แม้กระบวดเป็นพระหนึ่งก็รักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดมีการตรงอบัติสักกตากันเตาเย็นทานอาหารก็ต้องตรงอาบัติเป็นอย่างนั้นก็ เ, เป็นอาบัติอาบัติหมายถึงคนตีเลียงถ้างคนไม่ตีเลียงไม่เป็นอาบัติไม่อมาปฏิบัติอย่างนี้บัดนี้ คนทานสนสนุนจากพันคนแต่ถ้าหากบันฑิตมีคนเดียวก็เป็นอาบัตเหอนเดแบบนี้คนทานตมิ้อยคนพันคนก็ตายบัณฑิตสมับสนุนคนเดียวก็ได้ด้วยอะเสบรนนาจะพาลานังบัณฑิตาณจะเสบรณนาปูสาจะปูสนิญาังเอตํมมังคลนิสตัมมังนนี้เราด คำว่าอโศกบันนาจะพาลาหนหมายถึงพาลาและคนทานบัณฑิตา น, นจะโศกบันนาภูษาจะเรื่อหมายถึงบัณฑิตผู้ที่รู้ธรรมเล่นธรรมคำว่าคนทานในที่นี้เขาหมายถึงโมหะโทสะโลภะเมื่อยู่ด้วยโมหะโทสะโลภะนี้อหรือเราอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญานม่อิดถี ที่่าเป็นการเห็นการรู้การเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้แหละผมก็เลยเข้าใจทราบเต็มเรื่องสมะถะกรรมฐานกับวิจารณกรรมฐานมันเป็นกรรมทางกันมันเป็นะเรื่องกันจริงๆทําให้ผมเข้าใจอันนี้มีจับมีจับมีแย้มมีสิ่งมันเป็นอารมณ์มามันเป็นภักเป็นภัก เป็นพักว่าดักจิตใเป็นสูงขึ้นเป็นพักเป็นพักขึ้นมาแต่เรามองไม่เห็นอันนี้แหละที่ผมกล้ายืนยันนับรองว่าทุกคนต้องประสบเรื่อนี้คำว่าประสบเรื่องนี้จุดสำคัญก็เลยมาโคตรกันทำความเข้าใจกันเพราะว่าเวลาปฏิบัติธรรมอะทุกคนหมายถึงจุดสูงสุดคำว่าจุดสูงสุดนั้นอะ ตอนเจ้าผมลุกกนลังเดินเดินไปเดนมาคลายๆคือเสื้อผ้ า, ากางเกงอะไรก็ตามมันหลุดออกไปทั้งหมดเลยพอดีมันหลุดมันเกิดความสุกขึ้นมาสิ่ิหนึ่งผิดปกติแล้วแบบนี้ผมสุกแบบนั้นนี่ปัญหามันที่ผมจะนำมาเล่าสู่ฟังที่สูงสุดจุดสุดท้ายอันนี้ท่า ตัณฑ์ตนาอุบ า, าอาจารย์เคยพูดเคยสอนว่าอาการเกิดดับคนเกิดมาล้อยวันพันปีถ้าหากไม่รู้สภาพบุพาวะอาการเกิดดับนั้นชีวิตของบุคคลนั้นเป็นหมันไมบุคคลเกิดมาเพียงวันเดียวรม้เห็นสภาพบุพาวะอาการเกิดดับนั้นชีวิตบุคคลนี้มีค่ามีราคามากทันัีตัวชีวิตมันจึงมีราคามาก กิจการปฏิบัติก็ต้องพยายามทําให้เข้าใจจริงๆเรื่องนี้แบบนี้การบวชก็เช่นเดียวกันบวชมาตั้งร้อยพรรษาถ้อหากไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสภาพบุพาวะวาอาการเกิดดับอันนี้การบวชของครูฮันอาเนสงการบวชต้องเป็นหมันเป็นโมคะทันวายมิแบบนี้บุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวไม่เห็นสภาพบุพาวะวาอาการเกิดดับอันนี้ บุคคลเกิดมาเพียงวันเดียวนั้นเดมาเพียงวันเดียวนั่นมีประโยชน์มีค่ามากมีราคามากเพราะชีวิตไม่เป็นทุกเลยนี่อันนี้แหละด้วประหลาดเกิดขึ้นที่ตรงนี้จงว่าให้อยู่กับปกติใหอนูอ้เมื่อจิตใจของเรามันเปลีป่ยนไปด้วยงอาการเปลี่ยนไปด้ว่ยงอาการเปลี่ยนไ ป, นไ ป, นไปจนถึงที่สุดทุกตัวนี้แหละตัวนี้แหละ ธรรมชาติเรื่องสภาพภาวะเดิมเขาน่ยไม่จะหดเข้าทันทีเลยเหมือกับปินถูกยาเอายาดบติดปินใส่ท่าที่บ้านผมเคยมีท่าผมไปเมืองลาวเอาปูนกับยาดีบใส่ท้าใส่ปินมันหดตัวเขา้าแต่มันไม่ซุดเข้าคนทุกคนจะตายต้องเป็นอย่างนั้นหรืออุปมาอีกอย่างนึ่ง เหมืนกับมีตาที่บาดเหล่าบาดเนื้เอเลยตามไปก็เจอเลือดมันออกจากปากบาด ม, มาออกปากบาดมันรวมตัวกันเข้ามาพอดูมันเห็นอันนึงเลือดมันจะกับหัวนเข้าไปสุ่สภาพเดิมเข้า ม, จมจาจริงจิไม่จางสดตัวเข้าจริงจิผมก็เลยมาอุปมาเคยเตียบเทียบให้ฟังเหมือ น, นเอาเชือกในร่อนนี้เองมาพูดข้างนั้นข้างนี้ตัดตรงกลางไปดึงไม่ถึงกันเลย อันนี้แหละจุดสูงสุดนี่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่เคยมีเมื่คอครูบางอาจารย์ก็ไม่เคยสอนเรื่องอย่างนี้นี่มาทำความรู้จิตตัวตื่นตัวรู้ใจนึกคิดรู้เป็นปกติมันสามารถพาให้เราเดินมาถึงจุดนี้ได้นี่เมื่อทางเดินไปคนเดียวเป็นทางเอง ทางทางนี้ไม่ซ้ํารอยใครรู้แล้วจะต่อเหวี่ยนดิคติกก็ไม่ได้นู้แล้ว จ, จะษษษวจทําลายก็ไม่ได้ส่วนนู้ควมเห็นรวมเป็นอันนี้เป็นคําพูดคำเตือนเป็นคํากล่าวคําสอนของท่านภูรู้ใครรู้เรื่องนี้ต้องนำเรื่องนี้มาสอนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิธานรักษาสิ ง, งกินเจอะไรทั้งหมดมันเกี่ยวข้อง กับทำความรู้สึกตัวมันเกี่ยวข้องกับความเป็นปกตินี่เมื่อรู้สึกตัวอยู่เป็นปกติเมื่อเพอในขณะไหนเวลาใดผิดปกติผิดปกติไปข้างดีก็ต า, ามข้างชั่วกว็ต า, ามไม่ใช่ผิดปกติอย่างคนบ้านะผิดปกติข้างดีทั้งชั่วกว็ตามพระกรรมฐานคนเรียกัี่ปรินาโกสามาาว่ า, ว า, าบ้าทั้งนั้น บ้าอันไี้บ้าธรรมะบ้าคนไม่รู้จักธรรมะหรืบ้าคนรู้ธรรมะรู้แล้วก็เลยลืมปกติรู้แล้วก็เลยลืมไม่สัมผัสไม่แน่แน่อยู่กับอารมณ์มั น, นจึงเป็นอารมณ์เมื่อเรามีความสุขเหมือนเข้ามาปกติเมื่อเรารูปกติกระทวนอารมณ์ตั้งแด่ต้นอารมณ์ลูกนาม มาจนถึงอาการเกิดดับตับไปกลับมาให้อารมณ์สว่างขึ้นภายในจิตใจแจ่มชัดเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจแจ่มชัดเด็กควมปกติก็มั่นคงขึ้นมาอันนี้สภาพภาวะอาการเกิดดับการแก้ไขปัญหาเรื่องขัดแยองภายในใจิตใจก็เลยเข้าใจเรื่องนี้ถ้าไปได้สอนเรื่องนี้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 คนเดาไม่เลื่อมใจไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องปฏิบัติสามพระพุทธเจ้ามันมีหลายสำนักหลายครูและอาจารย์การสอนวิปัสสนาบ้านของเราทุกวันไม่ก็เช่นเดียวกันมีหลายสำนักมีหลายครูหลายอาจารย์ทิศทิ่ก็ไม่เหมือนกันทิศที่ของสมเห็นอย่างนี้เข้า ใ, ใจอย่างจะสอนให้คนเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่า ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องทวามจิตติว่าควมตายแตความตายเรื่องเนี้ตายเสียก่อนตายแต่เมื่อยังลมหายใจนี่ธรรมะอันนี้มันจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธคนพบแล้วก็เรีย ก, เ, ยกเป็นพระพุทธเจ้าตัดจะรเองโดยชอบว่าอย่างนั้นอันนี้เ่าคิดดีจะเห็นชอบเห็นถูกต้อง การที่ผิดตัวเองอันนี้แต่คนอื่นมั่นใจเห็นชอบหรือ ไ, ไม่ชอบก็เป็นเรื่องของคนอืน่นแต่เห็นว่าพูดผิดก็เป็นเรื่องของคนอืน่นแต่ตัวเองมั่นใจว่าจะสอนเรื่องนี้จะพูดบร น, นี้ใหอคนพูดที่ดีปัญญาฟัง่งคนที่ปัญญาอย่างอ่อนก็เป็นธรรมดาคนที่ผู้ดีปัญญาเข้มแข็งก็สามารถที่จะรู้เรื่องนี้ได้หากไม่รู้ในขณะนี้ วัจะตา ย, ยตรื้อหมดลมหายใต้องประสบเรื่องนี้จริงๆแต่เรารี้อไว้วันนี้มันจะดีกว่าบ้างไหมอันนี้บราจึงเอาอาดีตอนาคตมาไว้กับปัจจุบันอนาคตข้างหน้าก็ต้องมารวมอยู่ในปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ต้องมารวมอยู่ในปัจจุบันการแก้ปัญหาการขัดแว้งภายในจิตใจนั้นแก้ปัจจุบันคาว่าหยุด เรื่องสงบมันเป็คำเดียวกันควรสงบก็แปลว่าหยุดควรหยุดก็แปลว่าสงบเนี่ยสงบก็แปลว่าเราเห็นแจ้งรู้จริงเข้าใจจริงจึงจะหยุดการศึกษาเราเรียนได้จิตแล้วก็สงบเรไ่ต้องการพูรอาจารย์ใครจะพูดเรื่องไหนเราฟังได้ก็ฟังให้เป็นทำให้เป็นถ้าฟังไม่เป็นทำไม่เป็นมันยากดังนั้น พอแม่โคบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้ว่าฟังคนพระเสียสะเสียใาเลยเชื่อเงินเสียทองเสียเวลอมเสียเวลาเสียไปยังงกรรมาฐานกรรมทอกกรรมลอกเอาเงิอนอันนี้ก็เหมือนกันพระกรรมาฐานก็มีกระตุกบ้างมีหนักลอดบ้างมีพระ น, น้อยตุกเจกขึ้นมาทั้นซึ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องสมมติคือุกจิต ป, กปุกใจนี่ มันยังได้จึงะมีเพียงพูดคําไม่จริงแต่จริงของเขาก็ไม่จริงของเราสมาธิที่ของเขาไม่ใช่เป็นสมาธิฐของเราเป็นมิจฉาทิฐิของเขาไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฐิของเราเราต้องเอาทิฐิของเราเอามิจฉาทิฐิของเราเอาสมาธิิของเรามาพูดกับจริงๆสาหรับการพูดธรรมะ มันต้องกล้ายืนอย่างรับรองได้เหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าท่านบกว่าสัตวทั้งหลายคือเราสถาพตว์สัตวทั้งหลายเหมือนเราสถาพตว์ตวทั้งหลายเป็นสถาพสัตว์แต่ไม่ก็เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราเคยได้ยินได้ฟังสวดกันแล้วว่าพุทธานุพุทธังสามะเสระทิถงเป็นภาษาบาลีแต่เป็นภาษาไทยว่า ผู้ตัดมาลตามพระพุทธเจ้ามีศีลได้พิถิเสมอกันมีเหม ER ือนกันกับพระพุทธเจ้าข้อสุดท้ายเลยทีเดียวทั้งหลายเราผู้เป็นประธาพนพุทธิที่แล้วเห็นนั้นแล้วจะนามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติาตามอย่างเราประธานพุนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราประธาพุนี้นมีเห็นเป็นมีเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นสากลเป็นกลางกลาง ไม่เป็นของใครเป็นสมบัติของบุคคลผู้ที่รู้คนใดรู้ก็ต้องเป็นของคนนั้นจะเป็นของคนอื่นไม่ได้เรืนี้อย่ากล้าเย็นยังละองได้คำพูดคำเตือนของพระ อ, องค์ไม่พลาดเลยถ้าหากเราเริ่แจ้งจริงจริงตามความจริงจริงจิ ง, จ ง, จ ง, จงแล้วต้องนํามากล่าวมาเตือนกันให้ทุกคนเอามาใช้กับชีวิต เคยสอนมาแล้วเรื่องทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงได้นัดลองตัวเองนได้อายุเก้าปีถึงสิบสามปีเด็กรู้เรก่าคนแก่เพราะเขาไม่มีอารมณ์แบอบกว่าทำซาซาทำจังหวะซาซาเขาก็ทำซาซาให้รู้สิบตัวนะเขาก็รู้สึบตัวอยู่ท่านั้นเองนี่เป็นสามสิบวันเด็กนะ ทำให้จิตใจเขาเปลี่ยนแปลงจากสภาพความมือตื้ออยู่ภายในจิตใจถามเขาว่าน้นหนักร้อยกิโลจะเบาขึ้นบางคนก็สี่สิบกิโลห้าสิบกิโลเนี่ยพคอย่างนี้ถามเขาเป็นพระได้ไหมเป็นพระได้แล้วบัดนี้อันนี้เป็นคำมั่นสัญญาของบุคคลผู้ที่รู้แต่คนแก่มีนานในเวลานานเป็นสามเดือนสี่เดือนเป็นปีก็มีบางคน เอย่างพราะมันไปติดอยู่เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันมีน้อยแบบ น, นี้เด็กเด็กมันเอาอาดีตอนาคตมันรวมไว้กับปัจจุบันแม่ก็เลยเข้าใจเลยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นกิจสําคัญเมื่องสัจธรรมเนี่ยคาว่าสัจจะเนี่ยมันมากมันมากคําว่าสัจธรรมมันมากสัจจะ เพราะของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันอันนี้ก็เป็นสัจจะที่ผมพูดชี้ทางนนี่ก็เป็นสัจจะเช่นเดียวกันแต่ผมเป็นทิฏฐิอันนี้เป็นสัจจะที่การเห็นแจ้งการรู้จริงลูจักรู้จำาู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิปัสนาญาณเกิดขึ้นเพื่อมหายานก็ได้ญาณอันนี้เป็นคา hana ผลให้คน้นไปจากความทุกข์ชี่ทางให้คนออกจากที่นืดพระพุทธเจ้าทำสอนคนสอนคนที่กําลังทําผิดอยู่นั่นแหละให้หวนกลับคืนมาทําให้ถูกต้องสอนคนที่ยังไม่สลาดยังไม่รู้ให้เขาสลาดให้เขารู้ขึ้นมาสอนคนที่มีทุกข์ ถ้าทุกมันลดน้อยไปเรืยหมดไปเป็นอยังไงดังนั้นชีวิตจึงมีค่ามากที่สุดซื้อไม่ได้ขายไม่ได้เมื่อผมรู้อย่างนี้ผมว่าผมมีกําไรชีวิตคำว่ากําไรชีวิตนั้นเราควรได้คือทำให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีอย่างเรานั่นหรอกําไรชีวิตชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้กําไรหรอก กําไรได้จากคนอื่นรู้ตามเห็นตามเรื่องกําไรชีวิตอันที่อ่กําไรชีวิตเนี่ยโดยมากมีคนพูดคนสอนเรื่องกําไรชีวิตที่ผมพูดน่กําไรชีวิตคือเรารู้แล้วเห็นแล้วเข้า ใ, ใจแล้วมันเป็นทางพ้นออกจากทุกข์จริงเรื่องนี้ก็นำไปสอนคนอื่นให้คนอื่นได้เดินทางตามไป เป็นกำไรชีวิตของเรายราได้เพื่อนก็ว่าได้เพราะคนนั้ก็จะพ้นทุกไปเช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนแต่ของจริงของไม่กินไม่เอามาสอนดังนั้นการถืกศาสนาต้องเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงจริงถ้ า, าไม่เลือกคัดจัดหาออกกับชีวิตจริงจริแล้วเราจะไม่รู้เรื่องศาสนา ศาสนาผีศาสนาพรามศาสนาเทวดาคนไหว้ผีก็ผีเป็นผีขึ้นคนไหว้เทวดาก็เทวดาเป็นผีขึ้นมันศาสนาเก่าแก่ศาสนาคิดศาสนาอุตส่าามศาสนาอะไรมันมากเรื่องศาสนาแต่ว่าศาสนาที่ผมคือตัวคนตัวศาสนา ตัวทุกคนไม่เป็นตัวศาสนาตัวพุทธศาสนาคือตัวลู้แจ้งเห็นจริงเป็นพุทธศาสนาเป็นยังไงดังนั้นที่ผมได้นนธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก็เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมานั่งฟังธรรมะ มีมาตรฐานที่มีอาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและถ้าทำคํช่างสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุเจ้าและคุณขอพระตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตพระจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้จเริญรอยตามพระพุทธเจ้าบอกว่าอันจิตใ จ, จสะอาดจิตใ จ, จสว่างจิตใ จ, จสงบจิตใ จ, จบริสุทธิ์จิตใ จ, จปกติจิตใ จ, จท่องใส จิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างอันนั้นแหละคื อ, อจิตใจของพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกก็ต้องให้ได้รู้ตามเห็นตามเข้าใจตามพระพุทธเจ้าเรียว่าสาวกทุกทะเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสาวกทุกทะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกทัศโลกาธรรมเมหิ จิตตังเนตพป็น ก, กัฏติอโศกังลสังเขมังเอตัมังคลบุตตังคิดติอย่างนี้เป็นมงคลนันสูงสุดในหน่วยมนุษย์และเทวดาผู้ใดทำแล้วให้มีแล้วไว้ในใจแล้วไปไหนมาไหนโดยไม่มีทุกข์ท่านจึงย้ำและย้ำอีกว่าทั้งหลายเหงาผู้เป็นตถาคตถึงแล้วแห่ง น, นั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทางไหยจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคกนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ต้องรู้เห็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าอันนี้แต่ผมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ผมเห็นภายในจิตใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยจิงหวะพอแม่เคยสอนเคยพูดให้ฟังมันต้องเข้าสู่สภาพเหมือนกับแบ่ มันหดตัวเข้าในหลังมันในใหญ่ในพันตัวมันไว้เอามาเท่าน้ำหวยมันหดตัวเป็นต้องเลยอันนี้ก็เช่นเดวกันมานจะหดตัวเข้าสู่สภาพเดิมของมันจริงอันนี้แหละสูงสุดควรให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้มีอันนี้แหละยเรียว่าตายเสียก่อนตายยังเมื่อดีลมหายใจเรว่าเข้าสารตายก็ได้พระอริยสาวทกทวกองค์ ผมเข้าใจว่าต้องรู้เรื่องนี้ื่อหากผิดไปจากนี้เดียวผิดปกติทุกผิดปกติกระโดดบ้าแต่บ้านั้นมันหลายบ้ า, ออานะป็นยังไงอันนี้เป็นของจริงทุกคนจะประสบเรื่องนี้อันนี้เน่ยขอให้ทุกคนทุกคนต้องเข้าใจเรื่องปกติและการกระทำถ้าทําเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนต้องรู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าสอน เห็นเหมือนกันกับที่เราสอนจึงว่าท่านรับเป็นคำมั่นสัญญาของท่านโทษแล้วพทษอวสัตช์ทั้งหลายเราเพื่เป็นประถาบันไปถึงได้แห่งนั้นและจ็นำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย